ต่อจาก 21 กุมภาพันธ์ 2532 ที่พุทธสถานสันติ วันนี้อาตมาจะไม่พูดเร 2 อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่จริงไม่จังไม่เที่ยงไม่แท้อะไรเนี่ย ไม่รู้เรื่องหรอกว่าตัวเองเนี่ยปล่อยตัวไปตาม นิพพานที่ปักขิยธรรมประจําตัวอยู่หรือเปล่าขณะเรามาเรียนขนาดนี้แล้วเนี่ย บอกนี่ซวยมันยังไม่ปานกลางหรอกเพราะฉะนั้นสูตรนี้นี่ยิ่งใหญ่ อกุศละทําเจริญยิ่งตั้งตนเริ่มตั้งตนท่านแปลว่าเริ่ม เมื่อมีทิศทางที่ถูกต้องแล้วเรามาเพียรมีศีล มีศีลเราจะต้องรู้ตัวเสมอมีกรรมฐานกําหนดให้แก่ตนเองเมื่อมี มันต้องสู้กับกิเลสสู้แล้วมันก็ไม่ต้องสู้มันก็ไม่ไม่มี เรเราก็ไม่ได้พูดให้เคร่งเกินไปให้เคร่ง ส่วนมากจะเข้ากระแสกิเลสมากจะเข้ากระแสกิเลสมันจะไม่เข้าไป ภาษาชั่งเค้าบู๊ทไม่มีเลยรวมกกแกร่งหมดเลยหมดคงเคร่งหมดเลยๆอ่ะเพราะ นะตั้งต้นทุกข์ความลำบากบอกแล้วนะมีเงื่อนไขนะไม่เนี่ยมันยุ่งเหมือนกันนะ แต่ตะมาไม่เคยทํานะอาตมาดูแต่หนังนะนี่ไม่ใช่บอกตัวว่าคนเป็นคนดีนะๆหลายๆ มาริยมน่ะตั้งต้นด้วยความลำบากจึงหมายความว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเป็น กุศลนี้อยากให้มันได้อย่างนี้ๆนะแต่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือก บทนี้จึงไม่เข้าหัวเค้านี่เรื่องของเอ่อการกําหนดเอออันนี้แปลกขึ้น อันนี้สงสัยประการก็พูดซ้ําๆอาตมาก็พูดแล้วนะ สำนึกภาวอาตมาเนี่ยฟังให้ซึ้งนะอาทิตย์นึงนี่มาวัด 1 ครั้ง อาทิตย์นึงมาวัด 1 เนี่ยโอ้เร็วกว่าอาทิตย์นึงมาครั้งนึงยิ่งเนี่ยอาตมาว่าอาทิตย์นึง คุณคิดดูนะชาววัดนี่นะที่อาตมาเข็นๆเคี่ยวๆกันอยู่ เปิดเราจะตีสามครึ่งมาตั้งแต่เป 03:30 น. นมาป่านเดี๋ยวสายมาหน่อยเปิดอยู่ ใส่ลงเปิดนะพอเดี๋ยๆสดบ้าง หรือไงหรือวิปปจิตัญญูฟังหัวข้อ ก็เหนื่อยยะแล้วก็คิดดูซิหัวข้อหรือกับแหมคัดมาทั้บหัว เอ่อพยายามๆมีบางคนไม่ได้มาวัดบ่อยหรอกเครื่อง เปิดเหมือนกันจะเปิดหัวมันหน่อยนึงหมดแล้วหมดเวลาไปแล้ว เราละขยายความพวกนี้มัน 10 เดบอนุโยคหรืออนุโยคภาคเพียรเหมือนกันแต่ภาค แล้วก็ไปหลงผิดว่านั่งหลับตาไปแล้วแล้วจะจิตมัน ที่บังองค์ 8 นี่ก็คือปฏิบัติธรรมดามี คนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เป็น ให้มีส่วนมากอยู่ในอาชีวะเพราะฉะนั้นการ แล้วมันจะดีการงานนั้นจะดีการงานนั้นจะ ผู้รู้ไม่ลําเอียงมีประสิทธิภาพมีความชํานาญมีฝีมือเป็นๆ เมื่อเราได้ฝึกถูกต้องได้ปฏิบัติถูกทางแต่ต้องพยายาม ให้พยายามอยู่เสมอว่ามันแค่คัดอยู่เท่า <spaghetti> ยถาสุขังไม่ใช่นะเพราะงเอ่อสุขะปฏิปทาไม่ใช่ยถาสุขังนะตั้งตน ขณะนี้กําลังขยายความว่ายทาสุขังไม่ใช่ เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเข้าไปบําเรอบําเรอสุขสมใจสมใจตัวๆมันๆไม่ใช่ เรเรเรามีกิเลสมาแต่ไหนแต่ไหนๆ สุขาปฏิปทาเนี่ยจึงอย่าเข้าใจผิดจะต้องสอดคล้องกันว่า เพราะมันสู้มันจริงๆพยายามภาคเพียนไปไอ้ตัวกิเลส เราพยายามรู้รู้กิเลสเข้าใจ สู้กันอย่างที่เราชนะไม่ได้เป็นไป แล้วมันรู้เลยว่าอ้อมันมีเหตุผลชัดๆตัดลัดเลยแล้ว เอ่อเป็นแค่วิคคัมภนปหานเปตถังคภหานได้ช่วงๆนะแต่มันก็ขึ้น อยากให้มันมีอาการอย่างนี้ในจิตวิญญาณของเราทั้งๆ รถมันอันเดียวกันน่ะถ้วยเดียวกันแต่แท้น่ะรถ มันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ของเราแว่ง<ใช> ถ้าคุณบ่อยทีๆๆๆๆๆๆๆแล้วๆๆๆๆมันก็ การก็ทําไปปฏิบัติธรรมกับดีๆเรียนรู้ก็ค่อยๆละลด ตรวจจักฐานนั้นมาฐานนี้ฐานนี้ฐานนี้ จะรู้แม้กระทั่งๆเนี่ยแต่เราไปล้มล้าง นะแล้วเอามาบำรุงตนแล้วเราก็ ที่กําลังมีค่าศึกไม่ใช่เหมือนนักรบ นะมีความตื่นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ๆเหมือนแบบนิ่งๆสงบ โอ้ท่านเรียบร้อยท่านสงบดีพระปดิธรัตน์นี่เป็นสงบหรอกผู้ก็ โดยเฉพาะจิตยังให้นิ่งเลยไม่ต้องคิดเลยไม่เข้าใจบ้างไม่ต้องเอาใครๆก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์ จริงนะครับถูกๆเยอะแยะไปการเรียนแบบ มันมันจะบริสุทธิ์เพราะโลภโกรธหลงนั้นมัน ปฏิบัติแล้วมันๆเลยทําวิจัยสมโภชชงเลือกเป็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพพยากตะธรรมะมันมี อันเดียวกันนี่แหละอยู่ในกาละอย่างนึงอยู่ในองค์ประกอบอย่าง แต่เจอว่ามันไม่ดีไม่ง่ายๆเป็นสูตรสําเร็จนะเนี่ยบอเรียกๆป่านนั้น <c oughs> ไม่ใช่ของที่กล้วยๆจริงๆเราจะช่ำชองการงานอาจารย์จะมีญาณ แต่ในองค์ประกอบว่าโอ้ยคนนี้เนี่ยมันไม่ได้นะมันขาดเชื้ออันนี้เป็น ถ้ามันมีสิ่งที่ตายตัวๆเป็นสูตรสําเร็จนะพระพุทธเจ้าก็จริงๆเราจะ จึงจะทําแล้วก็ต้องทํากุศลให้ ถ้าเรียนท่านไม่มีปัญหาท่านกินน้อยใช้น้อยท่านไม่พราน เขาด่าให้เท่านี้ก็บุญแล้วต้องพูดอย่างงั้นเขาไม่ด่า ไม่ใช่สักๆเอามาวินิจฉัยฟิลิวิเคราะห์อันที่เราเคยรู้มัน อย่างนี้ไม่ได้ข้อมูลมากมายพอพอควรอย่างนี้ๆที่เขาให้เนี่ยไม่หมด เสละก็มาเนี่ยเค้าเรียกว่าฟังไม่ได้ๆๆๆแล้วมันเก็บอะไร มันจะเกิดจิตรับไวแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ไวมันจะเป็นจักรกลที่ชํานาญมันเกิด <im itation> เพราะฉะนั้นลืมตานี่ก็คือการสมถะเหมือนกันสมถะลืมตานี่ช่างมัน มันก็ถึงว่าเออถ้าเรารู้ว่าเราไม่ใช่ของเราก็ เอ่อไม่เข้าทีฮะลมล้างได้มันเอออันนี้เอาอะไรมาพิจารณาอีกแล้วสมบูรณ์ นะนี่ก็เป็น พอเราแล้วข้อมูลๆๆๆมันจะย้ำยืนๆๆๆไม่ๆนะมันยิ่งจะถาก ไม่ใช่ว่าเอามาฟัดเทียบอยากสิไม่ได้นี่เออสู้ แล้วจะย้ํายืนยันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่เคยประมาทแล้วเราก็ ไม่มีตัวแยบคายไม่ๆจะเกิดมุทธปุตตธาตุคร่องแคล่วปรับปรุงเนี่ยนี่เป็น นะมีจริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยญาณจริงๆมันจะ แล้วตัวๆตัวๆตัวชื่อศักดิ์ตัวบริษัทตัวญาณปัญญาก็ เออไม่เอาอะไรไม่ใช่นะว่าไอ้ไม่เอาอย่างโลกีย์เอ้ยไม่เอาอย่างฤาษี แต่ไอ้ไม่เอาของลักษณะของแต่ เพราะเราจะไปฟังอะไรแล้วฟังโดยไม่มีเงื่อน เจโตฤทธิ์ของครูสมบูรณ์แต่ของพุทธนี่สมบูรณ์สมบูรณ์มีรายละเอียดมีอะไรมันเพราะได้ วิจิตรความพิสดารด้วยความมีปาฏิหาริย์ด้วยความมีโอ้ดูมันได้มะมัน ไอ้นู่นไอ้ๆนานาดูมันพิสดารดูมันโอ้โหมันช่ำชองมันชํานาญ ถ้าท่านก็ไม่ได้หยุดบําเพ็ญด้วยไม่หยุดน่ะอาตมาก็ไม่หยุดเพราะพระพุทธสัตย์ให้หยุดพระพุทธเจ้าได้ถึงกับก่อ ถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าเราต้องภาคเพียรตัวภาคเพียรตัวเดียวต้องอู้นานาสารพัด นี่ก็หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นฝึกเอาไปเก่งเอาไปชํานาญเอา มันจะโกรธก็เอามายิ้มเนี่ยมันก็มาๆแต่ก่อนนี้เราไปภาพเพรียนอาฆาตมาดร้ายอื้อหือจะโกรธทําไมโอ้โหฟังแล้วก็แต่ มันมันหนักใจดีมามันเบากว่านะแม้แรงๆนี่ก็แรงเหมือนกับโกรธใช่มั้ยจะโกรธเหมือนต้องแรงๆ นะยิ่งทำออกสกายกรรมทั้งอะไรต่ออะไรโดยมันก็ใช้มากขึ้น นะแม้พระนะตัวนี้แหละสําคัญอาหารปริเยททุคนี่ตัวนี้สําคัญเป็นเครื่องอาศัยแสวงหา นะที่ปฐมโสณเนี่ยเค้ามีสโลเคยเมื่อยบ้างมีมั้ยไม่มี และได้เออไม่ใช่คนกลัวคนกลัวม้วยก็คือคนได้เลวแล้วได้ไม่ดี แล้วมันก็ต้องเมื่อยนะทีนี้ที่อาตมากําลังพูดๆ1 แล e, สม มันจะเมื่อยหรือมันไม่เมื่อยมันก็พักแล้วถึงเวลาควรพัก เราไม่เพียรเราข้ามองค์ศาสองค์กระทรงศาลได้นอกนั้นอย่าพักนะมันมี โดยเฉพาะยิ่งออกกําลังกายถ้าเมื่อยขนาดนั้นมันถึงจะเก่งยิ่งขึ้นมันถึงจะ มันมันมันต้องรู้ตัวเองถ้าใครยิ่งภาคเพียรเนี่ยให้มันสู้ ถ้าคุณไม่สมควรพักคุณก็ไม่ต้องพักมี เราทำงานเราก็เดินทางไปสู่ๆหรือเร ทำงานที่มันมีเป็นงานที่เป็นกุศลยังกุศลไม่ถึง <hi> แต่แล้วเลย ได้รับทานอะไรทานอะไรเอ๊ะไม่ทันรับทาน และความขยันนี่มีว่า 4 4 ต้องมีสมมติฐาน 4 นี้ประกอบอยู่ตลอดเวลาหรือหรือ คนแค่นี้จะไปทำดีเกินตัวมันทำไม่ได้หรอก ถ้าเราได้พยายามภาคเพียรอย่างนี้มันจะเจริญขึ้นได้ด้วยอกุศลปหานพฤติกรรมปหาน พวกกิเลสประหารแล้วยังได้บุญเออยังได้บุญประหารอย่างเดียวประหาร ผู้เจ้าเธอก็เล่นเนี่ยต้องทําลายประหารประธานนะเมื่อได้แล้วมันเกิดผล ธรรมะของพระเจ้านี่พูดแล้วฟังเป็นเอกังสวาทีๆไปทางเดียว แล้วก็ไม่ใช่ว่าโดดเดียวๆกันรู้หมดเพราะงั้น นะเราจะต้องพูดเป็นวิภัตชวาทีไว้เสมอแต่บางครั้งบางคราวเราพูดเอออ่าว่างว่าง ปัจจัยผลนางลับตาเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางวางๆวางๆนั่งสมาธิเข้านั่งสมาธิเข้าสอนนั้นมัน ในๆนานาให้เห็นแล้วแม้แต่ที่สุดพระพุทธพระอรหันต์ แล้วกิเลสตัณหามันหมดไปแล้วมันสิ้นทุกข์ไปแล้วๆของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าต้อง สังขาราทุกขามันก็ยังเป็นก็ช่วยมันเท่าที่พอช่วยได้อีกทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ทุกข์นะมัน อ่ามันร้อนก็เรื่องออกพอสมควรแต่ว่าจะเปื้อกออก มันกินกระทุ๊กกับความโศกเศร้าอารมณ์อะไรนั่นพระ แล้วให้แต่ละแชกเท่ากันมันยากเห็นมั้ยเพราะเรารู้แล้วเราตอนโสดาสกิทาอนาคามก็ แล้วก็อยู่กันอย่างสบายใจเมื่อเรารู้แล้วว่าเรา กิจไม่ต้องไปทําอะไรอีกไม่ต้องไปคอยระวังระวังต้องเนี่ย เอาล่ะอาตมาๆๆ